วันนี้เป็นการประชุมพิเศษตามปกติเราจะประชุมวัน8ค่ำสิบ้าค่ำไหว้พระสวดมนต์แต่วันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษก็ว่าได้เพราะว่าผมนัดประชุมหมู่พวกเพื่อนในระหว่างกลางเป็นการประชุมกรณีพิเศษเพื่อทําความเข้าใจสําหรับหมู่พวกเพื่อนพระใหม่ก็มีเก่าก็มีที่เขามาบวชเพราะนั้นถ้าหากว่า ผมเองจะพูดในเฉพาะวันพระก็มีศรัทธาญาติโยมมีหญิงมีชายแล้วก็เราจะพูดในวันนั้นบางสิ่งบางอย่างบางคำก็ไม่ค่อยจะเหมาะเพราะนั้นผมจึงได้นัดประชุมสำหรับหมู่พระโดยเฉพาะที่มาประชุมในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สองกรกฎา 50และก็วันที่30กรกดา50ก็เป็นวันเข้าพรรษาปี2550ถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังไม่ถึงเดือนจากนี้ไปเขาขอให้หมู่พกเพื่อนเตรียมพร้อมไว้มันกันนะผู้ที่จะจำพรรษาคำอธิษฐานพรรษาว่าจยไงไก็ให้ทบทวนเอาไว้แล้วก็ให้ตั้งใจเอาไว้ว่า ในพรรษานี้เราจะอยู่ที่ไหนกันแน่จะอยู่ที่นี่มั่นใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ให้ช่างใจดูตนเองไม่ใช่ว่าจนๆแล้วก็ยค่อยปุปปับอันนั้นดูแล้วไม่ค่อยจะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องวางแผนแล้วก็วางแผนยืดยาวไปอีกว่าในพรรษาที่จะถึงนี้เราจะทํำยังไง กับชีวิตประจำวันของเรากับการเป็นอยู่ของเราเออเราจะทำแบบชังกระตายไปอย่างนี้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแรงที่ผ่านมาแล้วก็ฝนที่จะถึงนี้เราจะทำแบบชังกระตายอย่างนี้ไปอย่างนั้นเหรอเราจะมีการเข้มงวดขวดขันกับตนเองอะไรบ้างในพรรษาที่จะถึงนี้อันนี้ก็ควรจะคิดไว้แต่เนิ่นๆเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นการวางแผน การคิดวางแผนวางไกลถ้าว่าพวกเราถ้าว่ารู้จักการปรับปรุงแก้ไขผมว่าการเป็นอยู่ของพวกเราชีวิตของพวกเราตลอดชีวิตทั้งชีวิตว่างั้นเถอะตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อกกเน่พูดเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนให้กับตนเองการที่จะเดินทางไกล เรื่างเดินทางของชีวิตต้องมีแผนมีแปลนต้องคิดล่วงหน้าต้องคิดให้รอบคอบอย่างยกตัวอย่างอย่างผมถึงจะว่าวางแผนก็ใช่หรือว่าไม่ไม่ใช่วางแผนก็ไม่เชิงสมัยเมื่อเข้าบวชเป็นสัมมเนอนอันนั้นแปลว่าพ่อแม่เป็นผู้ผลักดันโยมพ่อโยมแม่พี่น้องเป็นผู้ผลักดัน เข้ามาบวชตัวเองก็ยังไม่ได้คิดตั้งอกตั้งใจว่าจะบวชบวชเพราะอะไรไมีแต่คิดว่าอยากจะได้บุญเท่านั้นเองพ่อแม่ก็บอกว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นสมัมมเนรบวชเป็นเนนรักษาศีลได้บุญอันนี้ก็คือเบื้องต้นจากนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ได้มาศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนาสั่งสอนเรื่องศีลและธรรมเรื่องหลักธรรมวินัย จากนั้นเราก็ฝึกหัดดัดนิสัยของตนเองเมื่อเป็นสัมมนเนนแค่ว่าศึกษาอ่านหนังสือท่องหนังสือท่องพระปฏิโมกจบแต่เป็นสัมมเนนท่องนวโกวาดท่องสวดมนต์จบแต่เป็นสัมมนเน น, น, แ, เ น, มม น, เนแคๆว่าวางแผนตนเองเนละเริ่มวางแผนว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ได้ไหมหรือเราอยู่ไม่ได้ อันนี้ก็คือการวางแผนให้ตนเองแต่บางครั้งมันก็ปั่นป่วนพอสมควรมันก็ต้องได้ใช้ครูบาอาจารย์ก็ต้องได้ใช้ทั้งพระเดช ท, ทั้งพระคุณเราก็ต้องยอมรับในแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าเราไม่ยอมรับแนวความคิดของท่านเราก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้คงจะไม่มาถึงขนาดนี้จุดนี้ได้ ก็เรายังไม่รู้จักวิธีทางเดินของเราตอนนี้ก็อาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ <Hey. S 1> ชี้นาชี้แนะว่าควรทำอย่างนั้นควรทาอย่างนี้ <Hey. S 1> จากนั้นเราก็พยายามพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็ใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานคันติคือความอดทนเป็นเบื้องตน้น <Hey. S 1> จากนั้นก็ใช้ปัญญาความรอบครอบ ไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลวงปู่จากนั้นเราก็ได้บวชเป็นพระในเมื่อบวชเป็นพระที่นี้เราดูแล้วนี่เริ่มต้นล้การอยู่เป็นพระนี่เหมือนกับสมณเนนแปลกแตกต่างกันคือเป็นสมณเนณยเราทำอะไรเราพูดอะไรและอีกใ น, ในระดับหนึ่งแต่พอเป็นพระขึ้นมาแล้วเราอยู่ในอีกระดับหนึ่ง แนวความคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี่คล้ายๆว่าเราก็จะต้องระมัดระวังในศีราจารวัดเพราะเราได้ศึกษามาแต่เป็นสมัมมณีแล้วว่าเมื่อเป็นพระควรจะรักษาศีลลิวินัยอย่างไรอันนี้เมื่อเราเป็นพระเราก็รู้ได้ว่าวินายของพระควรทำตัวอย่างไรจากนั้นเมื่อเราเป็นพระแล้วเราก็พยายาม อยู่ในกรอบของพระวินัยศึกษาในพระวินัยจากนั้นก็มีธุระครูบายการขึ้นไปทางมาอยู่ทางห้วยทรายอยู่กับหลวงปู่จากนั้ น, นไปอยู่กับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนั่ะไปฝึกหัดอยู่ทางนู้นไปภาวนาเห็นคุณบุญคุณที่ว่าเราอยู่ในบ้าน สมัยก่อนเราอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าท่านก็แนะนำสั่งสอนทุกกิทุก ก, ท ก, กีทุกกระเบียดนิ้วสิ่งไหนที่เราได้รับความรู้ทุกวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานความรู้แนวความคิดสติปัญญาความรอบคอบพื้นฐานถ้าจะว่าไปแล้วได้รับอิทธิพล ริวแนวความคิดขององค์หลวงปู่ล่าอย่างมากวกว่าท่านความอ่อนน้อมผอมตนทําอย่างไรการพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอาวุโสกว่าทําอย่างไรางการเข้าหาครูบาอาจารย์ควรทําตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้หลวงปู่ล่าท่านแนะนําท่านสอนอละเอียดรอบคอบอย่างมากจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่แต่ว่าเรื่องทางด้านจิตใจนั้น เรามันยังเคว้งคว้างยังหาจุดยืนไม่ได้ถ้าจะว่าไปแล้วเราอยู่ในกลุ่มหมู่ญาติมีวงศาคณาญาติได้ยินได้เห็นได้ฟังในเรื่องราวต่างๆทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าสกิดในจิตใจของเราทําให้จิตใจของเราไม่สงบนิ่งพอได้ยินขึ้นมาแล้วก็ พอได้เห็นขึ้นมาพอได้ยินขึ้นมาเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นวงศาคณะญาติถึงยังไงก็ตามความรักในกลุ่มญาติมันฝังลึกอยู่ในจิตใจเพราะมันเป็นสายเลือดอันนี้เราเมื่อเราอยู่เราได้เห็นทุกวันอย่างเนี้ยจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบอันนี้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน ในความรู้สึกของผมที่ผมมาทบทวนดูเดี๋ยวนี้นะหลังจากนั้นพอผมได้ออกไปทางภาคเหนือไปทางดอยแม่ปังก็มีด้วยการหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนูสามองค์อยู่ด้วยกันในพรรษานั้น 2,510 แต่ที่ผมกระทำตนเหมือนกันเองน้อยเพราะว่าท่านไม่มีสมณเนงผมเองเป็นพระน้อยก็ทำกิจวัตรทุกอย่าง ทั้งต้มน้ําทั้งต้มน้ําสงของท่านบังสงน้ําท่านบังดูกรติกน้ำอะไรน้ำร้อนน้าเย็นปัดกวาดทาความสะอาดกูฉลองสระองค์เดียวอย่างนี้ผมทําทั้งหมดถไม่ว่าไปแล้วก็คืองานหนักพอสมควรแต่ว่าการปฏิบัติการภาวนาพอจบกิจทุระกิจกิ จ, จวัดแล้วเข้าประจำที่พอเข้าประจำที่มันเป็นเอกเทศเหลือเกิน ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็คงจะว้าวิอ้างว้างเงียบเหงาแต่นี้ผมไม่เป็นอย่างนั้นในช่วงนั้นรู้สึกว่าโอ้อิสระเหลือเกินการออกมาจากกลุ่มญาติออกมาจากวงศาคณาญาติมาคราวนี้ปลีกตัวออกมาอย่างวันคราวนี้มาอยู่ห่างไกลไม่ได้รับรู้รับทราบในวงศาคณาญาติเลย มารู้ดูตัวเองเท่านั้นอยู่ในวัดดอยแม่ปังแห่งนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาเพราะมันไม่พวพวรกับสิ่งภายนอกถ้ากิจธุระกิจวัตรประจําวันเราก็ทําตามปกติมีกิจวัดเราก็ทําตามปกติอันนี้เราทําอยู่แล้วกิจวัตรประจําวันปัดกวาดทาความสะอาดถูสร ะ, ะลาลับบาดจีวรสงน้ําอะไรของครูบาอาจารย์ ตอนนี้เราก็ทำเป็นประจาอยู่แล้วแต่ว่าไปอยู่วัดลอยแม่ปังรู้สึกวัดจะทำขึ้นมากขึ้นไปอีกเพราะเราทำถวายครูบาอาจารย์สององค์และท่านก็มีอายุพรรษาทั้งคู่อีกด้วยแต่นี้เราก็ไม่ได้หนักหนเะพอเราทำแล้วกระจบแต่ส่วนด้านจิตใจเราก็พยายามภาวนาพยายามให้สม่าเสมอเพราะนั้นเราไปรู้รสจิตสงบ หรือว่ารู้รสการวิเวกการปลีตัวการวิเวกอยู่ที่วัดตอยแม่ปังให้แก้ว่าโอ้จิตสงบหรือว่าวิเวกออกจากบงสาคณาญาติมีความสุขอย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านที่หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ตามลำพังก็คงจะลักษณะอย่างนี้กำลัง อ, อันนี้คล้ายๆว่าได้เปรียบเทียบคล้ายๆว่า ถึงตัวเราจะเป็นมดก็ตามแต่ไปเปรียบเทียบกับช้างแต่ถึงยังไงก็ตามเป็นลักษณะเปียวเดียวได้เกตใจเยือกเย็นไม่คล่องแวะกับสิ่งภายนอกในช่วงนั้นอันนี้ก็คืออันหนึ่งเหมือนกันจากนั้นพอกลับมาที่นี่พอพรรษากลับมาหลวงปู่อีก หลวงปู่จามอีกจากนั้นก็มาอยู่ที่วัดป่าบันตาดพรนศาสีท่านเองมาอยู่กับองค์หลวงตาตอนนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างเลยทียกับองค์หลวงตาเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับการพูดภาษาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับฟังธรรมะเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับคู่คนถึงจะไม่คู่คนออกไปส่วนภายนอกก็จริงแต่ว่าเราเป็นภายในวัด ต้องรับภาระดูแลภายในวัดเยเหมือนกับพ่อแม่แล้วก็เราเป็นลูกอยู่ในวัดต้องรับภาระภายในวัดแค่คนของพ่อแม่เขามาอย่างไรเราจะช่วยเหลื อ, อยังไงกับวัดอันนี้ก็ได้ทำเต็มที่จากนั้นก็การวางแผนหรือว่าสังเกตเในการทำเสนาสนะกุติวิหารกุติ ที่พักพาอาศัยออก็ได้สังเกตและก็ได้ยินการแนะนำการพูดขององค์หลวงตาอีกท่านก็ไม่ให้เน้นในด้านวัตถุมากถ้าทำขึ้นไปแล้วการรักษาต่อไปภายภาคหน้าเป็นภา ร, ระของพระของเนนอย่างเนี้ยพระเนนที่บวชเข้ามาแล้วควรจะอยู่อย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะอย่างไงจึงจะเหมาะสมออไม่ใช่ เสนาธนะหลูลาโออาลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือคือความเห็นของหลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนผมเองก็อยู่กระต๊อบมีหลังคาสังกะสีฝาผ้าสีด้านเอาผ้าจีวรทําเป็นสีด้านและกับพื้นกับมโลกโขกเขกไม่ใช่พื้นเรียบไม่ได้ปรับอะไรอีกต่างหากอันนี้ผมก็อยู่อย่างนั้นคือสมัยอยู่จากนั้นก่อนหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกัน ผมก็ไม่เคยพูดภาษาไทยอีกต่างหากอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าถ้ายังมากกับมีแต่พูดภาษาลาวภาษาอีสานจากนั้นกภาษาภูไทยของตัวเองแต่ที่พอมาอยู่บ้านตานยพยายามพอมีพระฝรั่งท่านก็ไม่รู้ภาษาอีสานเลยท่านก็พูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเริ่มพูดภาษาไทย<อ>ภาษาไทยกับพระฝรั่ง เพูดถูกบ้างผิดบ้างบางทีกูหัวเราะรไปบ้างเหมือนกันเอะเอเพราะพูดไม่เป็นเพราะเราก็เรื่องภาษาเนี่ยเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเราไม่เก่งแต่ที่ก็พอพูดก็เรียนพูดกบคู่กบคนก็ผิดผิดถูกถูกถ้าจะเปรียบเทียบกบเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้เห็นนั่นนะ่ะที่ท่านพูดออกไปเออเราก็พูดลักษณะอย่างนั้น แต่ถึงยังไงก็ตามเราสังเกตเราพยายามในคําพูดหรือว่าการ อ, ออกเสียงตัวหนังสืออย่างเนี้ยก็พยายามนั่นแหละอันนี้ก็คือวางแผนถ้าจะว่าไปก็คือเป็นการวางแผนชีวิตของตนเองเหมือนกันตลอดที่มาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10กว่าปี13ปีจากนั้นได้ออกมาจากที่นั่นมาอยู่ที่นี่ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านทุกองนะที่ได้ยินฟังคําพูดของผมใน MP3 ถ้าว่าผมพูดเป็นภาษากลางหรือภาษาที่ผมพูดเดี๋ยวเนี่ยภาษากลางนี่ผมจะระมัดระวังในคําพูดมันจะไม่ไหลลื่นเพราะนั้นเถะแต่ถ้าว่าพูดทางภาษาอีสานหรือภาษาภูไทยเนี่ยผมจะพูดได้คล่องเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้คิดเพราะเป็นภาษาตนเองแต่ถ้าว่าเป็นภาษากลางขึ้นมา จะพูดคำไหนออกไปมันถูกไหมนี่สับนี้ออกนี้นี่ลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆกับพูดแบบช้าๆให้พวกเราให้สังเกตสรุปแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นพื้นฐานมาแต่ดั้งเดิมมันเป็นคล้ายๆบฝึกขัดดัด เ, เพื่อจะให้มันถูกต้องให้มันเข้ากับการสถานที่บุคคล ถือว่าเป็นหน้าที่เมื่อเราเป็นพระขึ้นมาแล้วคือหน้าที่คือวางแผนชีวิตของเราตลอดถึงการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นก็หลายครั้งที่หมู่พวกเพื่อนให้แสดงความคิดเห็นหรือว่าให้เป็นหัวหน้าประชุมแล้วก็เปิดประชุมแล้วก็ปิดประชุมสิ่งเหล่านี้ผมไม่คาดคิดเลยว่าผมจะทํามาได้แต่ว่าผม มาถึงจุดหนึ่งผมก็ทําแบบฝืนๆทําแบบแคล้ายๆว่าทํำยังไงให้ายๆว่ามันจําเป็นจะต้องทําลักษณะอย่างนั้นคือหน้าที่จําเป็นจะต้องทํามาถึงตาของเราแล้วเราจะต้องกัดฟันหรือว่าหาวิธีการที่จะต้องพูดให้ได้จัดการให้ได้ให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปอันนี้ก็คือคือในใจจะให้สมัครใจไหม อยากจะพูดไหมมันไม่มีในใจเลยความว่าอยากจะพูดเนี่ยที่ว่าจะพูดคือมาทีไรก็คิดหนักใจเหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงจึงจะเหมาะสมในเรื่องนั้ น, น, นแต่ว่าถึงยังไงก็ตามผมว่าเรื่องที่จะแสดงออกมาตามลำดับขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าเรื่องจิตตภาวนาเรื่องภาวนาเรื่องดูใจของตนเองเนี่ยที่เขามาฝึก บวชเข้ามานั่งสมาธิและดูใจของตนเองการดูใจของตนเองนี่ถึงจะพูดเวลาจะพูดออกไปเราก็ต้องดูใจทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งแล้วก็พูดออกมาถือว่าเราจะพูดเรื่องอะไรในวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดในวันนี้เราก็ต้องรู้จากนั้นเราก็พูดออกมาจากใจจริงว่าในเมื่อเราพูดออกไปเราก็อยากจะทำอย่างนี้ จะทำอย่างนี้ให้มันดีที่สุดในใจของเราแล้วก็ทำได้ด้วยแล้วก็ทำให้ดีด้วยถ้าว่าทำเป็นหมู่เป็นคณะร่วมกันทำก็ควรจะทำอย่างนี้คือทำให้ดีให้เป็นธรรมให้เป็นศีลให้เป็นธรรมคือออกมาจากใจจริงแต่ถ้าหาว่าเราแบบพูดออกมาแบบลอยๆหรือว่าพูดออกมาแบบอย่างไงก็ได้หรือสักแต่ว่าพูดเวลามีคนย้อน ถามเข้ามานี่ตัวเองจะตอบไม่ถูกงงเพราะเหตุไรมั้เพราะมันไม่ออกมาจากใจจริงแต่ถ้ามันออกมาจากใจจริงเนี่ยถ้าถามมาเราจะตอบได้ทันทีมันเป็นอย่างนี้เห็นเพราะเหตุ น, นั้นเพราะเหตุ น, นี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเหนเพราะออกมาจากความรู้สึกเห็นแต่ทีนี้ถ้าจะมาถามว่าเราอยากจะพูดใหม่เราอยากจะเด่นอยากจะดังใหม่มันไม่มีในใจคือมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง แต่ถ้าว่าไปจุดใดก็ตามถ้าว่ามีใครไม่สนใจที่จะฟังมันคิดไม่ออกเลยมันพูดไม่ออกเลยถ้าว่าไปพูดในสถานที่ใดถ้าพอพูดขึ้นไปแล้วมีคนสวนมาหรือมีคนถามมาหรือมีคนไม่ตั้งใจฟังหรือมีคนพูดคุยกันมันพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าการพูดของเราเนี่ยออกมาจากส่วนลึกของใจมันพูดออกมาจากใจคือใจของเราคือได้ฝึกมาทาง จิตตภาวนาออกมาจากส่วนลึกของใจใจพูดแล้วก็พูดออกไปพูดออกไปแต่ถ้าว่ามีคนพูดสวนขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าเรื่องนั้นจบเลยพูดไม่ออกนี่แหละผมว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านก็ควรจะวางแผนแปลนของตัวเองเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันก็ให้ดูใจการมาศึกษาทุกที่เบื้องต้น ให้มาศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพระพทุทธเจ้าของเราที่สมัยท่านเป็นศิททัตตะท่านออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่ารงพงไพเป็นเวลาหกปีนั้นท่านท่านไปศึกษาเรื่องของใจเรื่องของใจท่านชัดๆท่านไม่ได้ไปศึกษาเรื่องอื่นให้เราศึกษาให้เราสังเกตให้เราเรียน รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านไปอยู่ป่าก่อนที่ท่านจะได้ตัดรูธรรมนั้นเป็นเวลาหกปีท่านไปศึกษาเรื่องอะไรมีแต่ไปศึกษาเรื่องแนวความคิดของท่านจะทํำยังไงจะทําจิตให้สงบให้ได้จะทํำยังไงจะคิดเรื่องอะไรถ้าเวลาจะคิดคิดเรื่องอะไรเวลาจะหยุดคิดจะทําวิธีอย่างไร นี่แหละสรุปแล้วก็คือสมัตกับวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาสมัตคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาคือแยกแยะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องอะไรท่านไม่ได้สนใจเรื่องกายเรื่องภายนอกคือรูปร่างกลางตัวการเป็นอยู่อย่างไรอันนั้นท่านไม่ได้สนท่านไม่ได้สนใจมาก แต่ท่านสนใจเรื่องจิตภาวนาแนวความคิดของท่านแต่ในเมื่อท่านได้ตัดสรุรรมแล้วท่านก็นําพระธรรมคําสั่งสอนออกมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติท่านก็สอนถึงศินสมาธิปัญญาศินก็คืออะไรศินก็คือการเป็นอยู่ร่วมกันการไปบินทบาตการทําปัดกวาดทําทความสะอาดจัดเสนาชนะ ที่อยู่อาศัยและหลายอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่เนี่ยจัดว่าเป็นหมวดสินแต่ทำไมพวกเราจึงไม่ดูแต่จิตอย่างเดียวเพราะพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเลดูจิตอย่างเดียวทำไมพวกเราจึงไปขนขวายขนคว้าในสิ่งเหล่านั้นด้วยทำไมจึงไปสนใจเรื่องสินเรื่องการเป็นอยู่ด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับเปลือก สินเหมือนกับเปลือกเปลือกไม้ต้นไม้ถ้าต้นไม้ไม่มีเปลือกจะมีแก่นได้อย่างไรเพราะมันเปลือกไม่ไม่มีแล้วมันก็ตายลูกเดียวทาภายในใจก็ลักษณะนั้นเหมือนกันเราจะดูแต่ใจอย่างเดียวเราไม่ทานอาหารสมมตเราไม่กินข้าวเราไม่อาบน้ำเราไม่ดื่มน้ำเราจะดูแต่ใจอย่างเดียวดูได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุอะไร มันต้องมีส่วนประกอบส่วนประกอบคืออะไรก็ต้องการเป็นอยู่ถ้าว่าเราไปอยู่ในที่แจ้งที่โล่งตากแดดตากฝนเราจะดูใจเราได้ไหมก็ได้แต่จะอยู่ทั้งวันได้ไหมไม่ได้ทําไมทําไมไม่ดูทั้งวันเพราะว่าสิ่งมันต้องอาศัยกันสรุปแล้วก็คือเหมือนกับต้นไม้ศินเหมือนกับเปลือกสมาธิเหมือนกับพีปัญญาเหมือนกับแก่นเราจะว่าแก่นต้นไม้ดีที่สุดอย่างไม้สักนี เราก็บอกว่าแก่นไม้สักดีที่สุดแต่เราปลูกเอาแก่นไม้สักไปปลูกมันจะเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะเหตุอะไรเพราะแก่นมันออกมาจากเปลือกะกระพี้มันต้องอาศัยกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราแยกแยะดูให้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติมันเกี่ยวเนื่องกันเราจะไปสนใจแต่เรื่องแก่นอย่างเดียวว่าเป็นของเลิศประเสริฐไม่สนใจเปลือกกับพี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น เราบวชเข้ามาก็ต้องอาศัยสินสมาธิปัญญาสินก็คือการอยู่ร่วมกันทากิ จ, จวัดข้อวัดปัดกวาดทำความสะอาดปิบินธบาทมาฉันมีตาสำรวมให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยที่พวกเราได้ศึกษาสิน227อยี่สิบอันนี้คือสินการเป็นอยู่ถ้าทุกองอยู่ในกรอบของสินแล้วความสงบพร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็มีในหมู่ในคณะในเมื่อสินของพวกเรารักษาด้วยกันรักษาดีแล้ว ไม่มีการเพ่งมองไปทางอื่นอย่างเนี้ยอยู่ในกรอบของใครของเราอย่างเนี้ยความสงบร้มเย็นเป็นถุกก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่ ง, งพระพุทธเจ้าท่านวางเสกิยวัฒนให้พวกเราได้สังเกตขนาดเพ่งมองในบาศของคนอื่นท่านยังปรับโทษเพิกษุดูบาศของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษต้องอบัตทุกกฎดูบาศผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษบอกเอีะทาไมพระองค์นิฉันมาก ทำไมของเต็มบาททำไมของอย่างนี้อย่างนั้นโยกโทษเขาเพียงคิดเท่านั้นเป็นอบัตทุกกฎดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษนี่แหละอันนี้การอยู่ร่วมกันถ้าเราไปคิดใ ส, ส่แสไปคิดยกโทษไปคิดเป็นทางอากุศลเออเหล่านี้ก็ผิดต่อหลักธรรมลักวินยัยผิดธรรมซะก่อนยัค่อยผิดวินยัยคือมันออกมาจากใจซะก่อนใจของตัเองเป็นอกุศลซะก่อน จิตใจตัวเองคิดไม่ดีซะก่อนมันจะออกไปข้างนอกเมื่อจิตตัวเองเป็นอกุศลจิตของเราตัวเองคิดไม่ดีแล้วออกไปข้างนอกนั่นแหละทเน่มันก็เป็นโทษขึ้นมาเพราะฉะนั้นศินที่อยู่ร่วมกันอันนี้นก็คือความสงบร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องศีลอาจารวัตกิจวัตรข้อวัดประจําวันพยายามทําให้สม่ําเสม อ, เ, อเรามีหน้าที่ทําก็ทำํำกิจวัตรข้อวัด จากนั้นก็เรื่องภาวนาทีนี่ภาวนาก็คือทำจิตให้สงบจะ ก, กำหนดกรรมาฐานไหนอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านได้ตัดสู้ทำท่านกำหนดกรรมาฐานอะไรกำหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจหายใจออกสั้นออกยาวมีสติสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสคัญอย่างยิ่งถ้าสติเลื่อนลอยสติเผลอ สติไม่เกาะแน่นสติหลงลืมสติเหม่ล อ, อยสติไม่อยู่กับตัวเองแปลว่าคนนั้นสมาธิของท่านนั้นองค์นั้นไร้ความหมายเพราะว่าสติไม่อยู่กับตนเองเพราะนั้นสติที่จะตั้งขึ้นมาได้จะทำยังไงก็พยายามในเมื่อมันเผลอไปก็พยายามดึงกลับมาเวลาเผลอไปพยายามดึงกลับมา ให้ตั้งสติไว้อยู่เสมอไม่ให้เผลอให้มีสติเราตั้งหลายครั้งต่อหลายหนพยายามดูพยายามฝึกไม่ให้มันเผลอพยายามจับมาที่ที่ปลายจมูกของตนเองถ้ามันเผลอไปก็ดึงกลับคือพยายามให้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีอยู่ในตัวเองนี่แหละ ในเมื่อเราทําอย่างนี้หลายครั้งต่อหลายหนจนจิตหาช่องว่างที่จะออกเพราะมันเผลอไปเราก็ดึงกลับท่นี้เจติตของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเรืรู้เห็นว่าเราเผลอเราเผลอเวลาไหนอย่างไรอย่างนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเราพยายามตั้งสติไว้อยู่เสมอตั้งสติไว้กับตนเองจากนั้นจิตของเราก็สั้นเข้า ความนึกคิดตะกอนมันยาวบางทีมันเผลอไปใช้เวลานานจึงมีสติขึ้นมาได้ต่อมาเรามีความพยายามพอมันเผลอไปไม่นานเราก็จับมันได้มายึดถ้าเรามีความพยายามอยู่เพียงแต่มันจะกระดุกกระดิกมันจะออกเราก็รู้ได้แล้วเออจิตของเราใจของเรากำลังกาลังจะเริ่มออกไปทางคิดปุ่งฟุ้งแล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ดึงกลับเข้ามาหายลมหายใจเขาออกได้เนี่ย นี่แหละถ้าเราพยายามทำอยู่อย่างนั้น บ, บังคับนะจุดนี้คือคือจุดบังคับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งจิตใจธรรมดาแล้วก็จะปล่อยไปธรรมดาไม่ใช่จุดนี้คือจุดบังคับเพราะว่าจิตยังไม่เห็นคุณค่าเรื่องของสมาธิมีคุณค่าอย่างไรจิตยังไม่ยังไม่รู้จักคุณค่าเพราะนั้นเราได้ศึกษาเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านว่าสติให้มีสติแล้วก็พยายามจะให้มันเผลอเมื่อมีสติดีแล้วสมาธิก็จะดี เ, ออเมื่อสติของเราดีสมาธิของเราก็ดีขึ้นตามลำดับเมื่อสมาธิของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ที่นี่นัน่นลหละที่นี่เราจะเห็นผลว่าโอสติของเราดีจิตของเราก็เข้าความสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วนะเราก็พักตามที่มันเข้าสู่ความสงบในเมื่อมันถอนขึ้นมาเรารู้รู้สึกว่าเออจิตใจถอนออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่ปุงฟุ้งนะทีนี้ค่ๆเหมอนถึงจะถอนออกมากรถอนอยู่ในระดับหนึ่งวจติของเราควบคุมจิตอยู่อยู่จิตคิดเรื่องอะไรเรารู้ได้ด้วยตนเองแต่มันไม่ปุงฟุง้ง แต่สติควบคุมความคิดของเราได้อยู่จากนั้นเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาที่ออกทางปัญญาทีนี้พิจารณาปัญญาปัญญาก็คือกำหนดพิจารณาร่างกายนี่แหละหรือพิจารณาธาตุสี่ดินน้าลมไฟพิจารณาร่างกายให้เป็นโครงกระดูกหรือพิจารณาร่างกายให้เป็นกสุภะอสุภะปฏิกูลอย่างกรรมฐานห้า เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานคาโลมาเกสาอย่างนี้นีน่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็อย่างที่ว่าเริ่มมาจากศีลคือเปลือกจากนั้นมาเริ่มสมาธิคือกะพีจากนั้นเริ่มออกมาทางด้านปัญญา พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละตัวปัญญานี่แหละตัวที่จะหักล้างถากถางตัดฟันกิเลสในใจของเราได้ด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างถ้าเห็นร่างกายตัวเองแล้วจะจากนั้นก็พิจารณาถึงใจพิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้ รู้มาหลงมาหลงร่างกายอีกที่หนึ่งรู้แจ้งกระทั่งใจอีกใจคือคือนึกความนึกคิดใจตัวนี้ก็เป็นไม่เที่ยงเหมือนกัน เ, ออเดี๋ยวไปคิดปรุงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดปรุงเรื่องนี้ถ้าสติของเราไม่ทันมันสติของเราไม่เข้มแข็งมันจะไม่ทนันสติจุดนี้ถ้าจะตัดกิเลส จ, จริงๆคือสติไม่เผลอคาว่าเผลอไม่มีเลยแต่เบื้องต้นเรายังมีเผลอไผล แต่พอมาเราฝึกอย่างช่ำชองและชำนาญแล้วมันจะไม่เผลอเห็นสติตัวเองแนว่ว อ, อ, อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาอย่างนี้คือเป็นปัญญาที่ไม่เผล อ, อปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้พอคิดอะไรออกมาปุ๊บมันวิ่งอัตโนมัติมันรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเลยเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นแหละจึงจะตัดกิเลสภายในจิตใจของพวกเราได้ถ้าเรา มีช่องว่างตโ ต, ตโตเต๋จิตของเรายังเตะลอดออกไปสู่อารมณ์ภายนอกได้อยู่อันนั้นยังไม่ใช่ยังห่างยังห่างมวยไม้มวยยังห่างมากเพราะงั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ฝึกนะฝึกหัดดัดตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เริ่มมาแต่การวางแผนวางแผนเบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าว อันนั้นก็คือการวางแผนของตัวเองวางแผนมาตามลำดับเราจะทำยังไงเราจะเดินยังไงชีวิตของพระเราเราจะอยู่ยังไงไม่ใช่อยู่ชัางกระตายเป็นวันวันซื้อบือ้อยางงั้นไม่ได้นะต้องฟิตตัว่าอยู่เสมอต้องฟิตซ้อมมาอยู่เสมอตำรับตำราพระไตรปิฎกเราก็ต้องศึกษาต้องอ่านจากนั้นเราก็คำพูดของเราเรื่องหนังสือของเราที่เราจะท่องบนส้าทยายา สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดได้อ่านไว้เหมือนกันเพราะอนาคตของเราไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนถ้าว่ามีความจําเป็นเราก็จะเอาออกมาใช้ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเมื่ออยากจะใช้แล้วไม่มีอันที่จะใช้ใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทํำยังไงอันนั้นแปลว่าเราขาดการสังเกตขาดการไตรตรองขาดการพิจารณา ขาดการเตรียมพร้อมออในตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมนะฝึกหัดเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทนะถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนั่นะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปตามจุดหมายปลายทางตามเป้าหมายแต่ทางโลกนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ทำยังไงจึงจะตัดกิเลสออกจากจิตจากใจของเราได้ นั่นแหละเป็นจุด ท, ที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่จะบวชตัดกิเลสสลัดโลกออกไปจา ก, ก จ, จิตใจอันนี้เราต้องดูใจเป็นสําคัญแต่สิ่งภายนอกก็อย่างที่ว่าเราจะไปดูใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ไม่ได้ไม่ต้องอาศัยกิจวัตรควัดการเป็นอยู่ร่วมกันเกี่ยวเนื่องกัน พูดเรื่องศีลก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งเรื่องวิน rolling, plan, hmm? er okay. ัยเรื uh ่องพระสูตรเราก็ต้องพูดเรื่องพระสูตรการเป็นอยู่ของคนเป็นมาอย่างไรเราก็ให้ศึกษาพระสูตรก็คือพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรพระสงฆ์สาวกเป็นมาอย่างไรเราต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะเลื่อมใสศรัทธาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้จักต้นปลายสาเหตุว่าพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไร แล้วมีเหตุผลอะไรทําไมท่านจึงรู้แจ้งเห็นจริงมีเหตุมีผลไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องวิเคราะห์ตามลําดับไม่ใช่ว่าเขาเลิ่อมใสก็เลื่อมไสไปตามเขาพูดเราก็พูดไปตามอย่างนั้นไปว่าถ้าจะไม่ว่าโง่หรือซื่อบือ้อก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาศึกษาในหลักพระธรรมวินัยศึกษาในพระธรรมคําสั่งสอนศึกษาพุท ธ, ธศึกษาสาวกศึกษาศินสมาธิปัญญา ศึกษาในบทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อริยรรสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักไตรไ ล, ลักษณิจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิตธรรมสิ่งเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรเราต้องศึกษาศึกษาและค้นคว้าพอค้นคว้าแล้วก็ไตร่ตรองไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราถ้าว่าสงสัยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมา ก, ก่อนพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่าน นะที่บวชมาในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเข้ามาบวชในครั้งนี้มาบวชเพื่ออะไรมาศึกษาเรื่องอะไรพวกเราให้รู้จักจุดที่พวกเราศึกษาเดียเฉพ่ออย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านไม่ให้เน้นหนักเรื่องปริยัติปริยัติคือการดูแผนที่ท่านไม่ให้ดูแผนที่ ดูแผนที่พอประมาณหรือว่าแผนที่นั่นก็คือครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนคือแผนที่อีกเกลมหนึ่งเหมือนกันในเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ดูแผนที่ตํำรับตําราเสริมเข้าไปอีกถ้าเรามั่นใจว่าเออครูบาอาจารย์ปฏิบัติท่านพูดอย่างนี้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนทดลองดูสิมันจริงไหมที่ท่านว่าให้บังคับให้สติอยู่กับตัวเองและบังคับใจไม่ให้กิดคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอก มันทําได้ไหมแต่นี้ถ้าเมื่อเราพยายามหลายครั้งต่อหลายหนถึงจะมีช่วงขณะหนึ่งช่วงแวบหนึ่งอย่างนี้เราก็พอจะรู้ได้ว่าเออที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้บังคับสติให้อยู่กับตนเองแล้วก็บังคับใจไม่ให้คิดปรุงออกไปข้างนอกใจของเราเข้าสู่ความสงบเพียงชั่วคู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งจิตใจของเราก็สงบร่มเย็นเป็นสุข เย็นผิดปกติในช่วงที่จิตสงบในช่วงเพียงประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเราก็รู้ได้ว่าจิตของเราสงบในช่วขณะนั้นเออครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยคงจะมีส่วนถูกต้องอันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ยพระธรรมเป็นปัจจตังพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตน ถ้าบอกคนอื่นมาแนะนำก็คือเป็นผู้แนะนำชี้นำชี้แนะตนเองแต่ว่าที่จะได้รับผลจริงจังคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติแต่ผู้อื่นแนะนำก็คือว่าเออเอากินข้าวอย่างนี้นะทำอาหารอย่างนี้นะนึ่งข้าวอย่างนี้นะเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาแต่พอกินเข้าไปในปะเขาไม่ได้กินต่างเราถ้าเขากินก็คือเขาอิ่มเขาถ้าเราไม่กินเราก็หิวถ้าเรากินเข้าไปเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเออนี่ รถข้าวรถอาหารเป็นอย่างนี้เองเอ น, นว่าธรรมะนเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนในเมื่อประพฤติธปฏิบัติได้แล้วครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้แนะนําชี้แนะชี้นาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, เ, ะเข้ามาบวชในคลั้งนี้ก็อย่าให้เสียท่าเสียทีอย่าให้เปล่าประโยชน์ในการเข้ามาบวชพยายามฝึกหัดดัดนิดสัยของตนเองเอถ้าพวกเรา นั่งสมาธิหรือปฏิบัติตนเองดีแล้วนะออกไปสู่ครวญเราก็จะรู้ดูใจเขาตนเองคนมีธรรมะในจิตใจจิตใจจะไม่เดือดร้อนไม่วู่วามมีเหตุมีผลถ้าจะร้อนก็มีเหตุมีผลถ้าจะเย็นก็มีเหตุมีผลถ้าจะพูดออกไปก็มีเหตุมีผลถ้าจะไม่พูดก็มีเหตุมีผลคล้ายๆกับว่า ไม่ได้ทำตามความปักดันของกิเลสภายในใจราคะโทสะโมหะเพราะสิ่งเหล่านั้นเราพยายามดูมันอยู่แล้วว่ากิเลสราคะเป็นยังไงมันดันออกมาเป็นยงไงกิเลสโทสะมันดันออกมาเป็นยังไ ง, ดออ เ, ง, ไงเดี๋ยวนยีเราจะเราก็พยายามแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ชุมชนสังคมถ้าว่าเราไปเจอกับการพูดหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทาให้ตรงกับเรา เราก็ฟังฟังดูแล้วอืมถ้าไปอย่างที่เขาทํามันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายแต่เขาอยากให้ทําอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ทงเอา้าหยวนอ่าลักษณะอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆว่าได้ไม่เป็นไร่ยคือทาองว่าเชิงไหนที่ว่าปูไม่ได้จุดนี้ถ้าพูดไปแล้วมันเสียหายเราเสียหายหมู่คณะเสียหายเราอย่างนั้นเราก็ยืนหยันผมไม่ยืนหยันเราก็ถอนตัวนะผมทํากับหมู่ไม่ได้ในเรื่องนี้ เพราะความคิดเห็นของผมมันสวนทางกับหมู่อย่างมากเลยอย่างนี้ผมทำไม่ได้ผมขอถอนตัวผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นทั้งหมดเออเอาหมูทำได้หมูทำเออทำไปเถอะนะเออย่างนี้แต่มันเสียหายแต่ว่าถึงยังไงถ้าว่าดูแล้วถ้ามันไม่เสียหายถึงขนาดนั้นเราก็ต้องฟังเออเอ า, เอาดีได้ให้การสนับสนุนหยน้นเออแต่ว่า ในความคิดเห็นของผมผมน่าจะว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมากกว่าเน่อย่างนี้ใครว่าคนมีธรรมในใจเนี่ยจะไม่หัวชนฝาทีเดียวใครๆครบ่ามีทางออกแล้วก็ฟังหมู่พวกเพื่อนฟังเหตุฟังผลไม่ใช่ว่าดันทุลังไม่ยอมฟังใครอันนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้ผมให้แนวความคิดแปลกไร้ล้าอย่างให้แก่หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษานะ เอาตอนนี้ไปท่านจื้อจองมีอะไรที่จะประเด็นได้ก็พูดให้หมูเพื่อนฟัง